สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตประหลาดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อคิดคนะติที่ประหลาดตั้งแต่โบราณให้นะครับให้มาจานถึงทุกปัจจุบันและกาชีวิตของท่านนะครับโดยวิธีการเนี่ยนำเสนอนะผมจะอ่านเป็นคลักษณะของคําต่อคำนะครับแล้วก็ขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษามัชยมปุรุครับผมทุษพลเปลี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย9 9ปดเ 1 2ึ่ครับคับตอนนี้ผมกาลังนำเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภากคุรุนะครับซึ่งเป็นการเรียบเรียงคำบรรยายของท่านโอชโชเป็นผู้นำทางจิตท่านโอชโชนี่เป็นผู้นําทางจิตวัญญาชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่มนี้นะครับคุณตัวมอสุขปิชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงตอนนี้กำลังนำเสนอเนื้อหานะครับในช่วงของพระเยซูนะซึ่งแน่นอนครับเป็นศาสดาที่มีผู้ที่นับถือกว้างขวางที่สุดในโลกนี้นะครับ ตอนนี้มาถึงตรงที่ว่าชาวคริสต์นะครัต้องเข้าใจว่าชาวคริสต์จำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดภาพลักษณ์เช่นนั้นขึ้นมาจริงๆว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยิ้มนะครับเป็นผู้ที่ไม่ยิ้มมีใบหน้าที่ไม่ยิ้มมาถึงจุดเนี้ยครับที่ท่านโอชก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่ถึงจุดที่เรียกว่าจุดที่ถ้าเป็นภาษาเราเรก็เรียกว่าบรรลุธรรมนะหรือถึงธรรมไรประมาณเนี่ยนะครับ เป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่ยิ้มเพราะว่าคนเช้นนี้แหละเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าคนเช่นนี้ยิ้มไม่ได้ก็คงไม่มีภาวะไหนหรือใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะยิ้มได้นะครับท่านบรรยายประมาณนี้นะแล้วก็ก็จะมาต่อตรงนี้นะครับบอกว่าบอกว่าพระเยซูทรงดูเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ถูกวาดขึ้นมาให้เศร้าวาดขึ้นมาให้เป็นพระผู้ไทยภาพของพระองค์วาดนะรราวกับพระองค์ทรงแบกรับทุกๆคนและบาปของทุกๆคนเอาไว้ เพื่อให้อภัยคุณนะครับเพื่อไม่ได้แบกแอรของคุณเอาไว้พร่องเพียงแต่อภัยคุณนะครับท่านโอโชวัวก็พยายามบรรยายนะบรรย์เพื่อให้เห็นว่ามุมมองของท่านที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเห็นอย่างไรเพราะว่าพระเยซูเนี่ยทรงดูเศร้าอย่างยิ่งนะถูกวาดขึ้นมาให้เศร้านะครับภาพของพระเยซูนีกเยอะแยะมากมายหลาย ก, กอง น, นะเพราะว่าคือบรรดาบรรดาผู้วาดภาพทั้งหลายนะครับแน่นอนว่ายิ่งในสมัยโบราณแล้วนะครับในสมัยที่ อนณาจักยุครางหมายถึงว่าช่วงที่ศาสนาจักเนี่ยใหญ่มากนะครับเป็นคาว่าใหญ่คือมีอํานาจมากนะแม้แต่บรรดาเจ้าของนะครทั้งหลายกษัตริย์ก็ต้องถูกสวมมงกุฎโดยพระสันตะปาปานะครับเป็นยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้ทำอะไรให้มันคือศิลปินทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสามารถวาดภาพแล้วก็ออกมาวางตลาดได้มีคนมาซื้อไม่ใช่ับศิลปินเหล่านั้นส่วนมากแล้วก็ต้องอาศัยนะอาศัยหากินอยู่กับ ศาสนจักรซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมากมีเงินมากหรือเบรรดาเจ้าผู้ครองนลครอทั้งหลายนะครับไม่ค่อคนอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีหรือว่าไมเคิลออเจโรอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งหนึ่งที่แน่นอนว่าจะเข้าตาเข้าตาของบรรดาผู้อูปถัมได้ก็จะต้องวาดภาพจัรกราเหล่านี้คือวาดภาพพระเยซูนะครับหรือว่าเหตุการณ์ในสมัยพระเยซูเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น ภาพอย่างนี้ถูกวาดมามากมายแล้วก็นี่แหละครับที่บอกว่ามันกลายเป็นเอกลักษณ์ของพระเยซูในคริดศาสนาเลยว่าพาระองค์ถูกวาดขึ้นมาให้เศร้านะครับวาดขึ้นมาให้เป็นพระผู้ไทยนะภาพของพระองค์เนี่ยวา่าภาพของพระองค์วาดเราก็ว่าพระองค์ทรงแบกรับทุกๆคนและบาปของทุกๆคนเอาไว้นะความเศร้าของขนาดนั้นเลยครับเศร้าขนาดที่ว่าคงต้องแบกอะไรที่หนักหนามากมากเลยถึงได้เศร้าขนาดได้เศร้าได้ขนาดนั้นพระ อ, องค์ให้อภัยคุณต่างหาพระ อ, องค์ไม่ได้แบกแอ ข, ของคุณเอาไว้นะท่านโลโจบอกจางนั้นเขาว่าชีวิตยอย่างพระเยซูนะครับชีวิต ของผู้ที่ถึงทำแล้วเนี่ยท่านให้อภัยคุณนะท่านไม่ได้แบกอะไรไว้นะครับเพราะงพระองค์ไม่ได้แบกแอของคุณไว้นะจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเศร้านะครับพระองค์เพียงแต่ให้อภัยคุณนี่คือจุดยืนที่ผิดพลาดที่ว่าพระองค์ทรงแบกแอของคุณเอาไว้ถ้าหากมันไม่มีคุณค่าอะไรเหตุใดถึงต้องรับไว้แต่เพียงพระองค์เดียวแต่หากมันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างเหลือเกินก็เหตุใดพระองค์จึงต้องพรากไปจากคุณพระองค์จะต้องมอบบางส่วนให้คุณไม่หรอกพระองค์ไม่ได้นําแอรไปจากผู้ใด พระองค์เพียงแต่ช่วให้ทุกๆคนทิ้งมันไปเท่านั้นเนื่องจากเป็นตัวคุณที่กําลังแบกมันไว้ยึดมั่นมันเอาไว้มันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อพระองค์ตัดว่าคุณได้รับการอภัยพระองค์ตัดว่าจงลืมความเศร้าทั้งหมดของเจ้าและลืมนรกทั้งหลายเสียนี่คือโลกของพระบิดาของเจ้าและพระองค์ทรงพระเมตตาและพระองค์คือความรักความรักจะลงโทษเจ้าได้อย่างไรความรักจะโยนเจ้าลงนรกได้อย่างไรความรักจะทรมานเจ้าได้อย่างไร พระเจ้าไม่ใช่นักเสพความรุนแรงนะครับคือท่านเอาช่วยเนี่ยท่านบรรยายให้กับคนในตะวันตกก็ไม่น้อยนะครับอยู่ในอเมริกาก็หลายปีนะซึ่งอเมริกาก็เกิ น, ละละกนร้อยละห้าสิบเน่ย น, นะเป็นชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นคริสต์คาทอลิกหรือคริรตสต์โปรเตสแตนต์แต่ก็พระเยซูพระองค์เดียวกันนะครับเพื่อนั้นคำบรรยายของท่านก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องทําให้คนที่มามาเรียนรู้กับท่านเนี่ยได้เข้าใจว่าการอธิบายของท่านนั้นมีเหตุมีผลนะครับมันต้อง อย่างที่รู้กันครับพวกตะวันตกเขาติดเรื่องเหตุผลมากนะครับเขาเป็นคนที่คือตั้งแต่ยุคเรียกว่ายุคเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะขึ้นมาถึงยุคเรียกว่าเอล็กทรอนเนี่ยนะครับแปลเป็นไทยว่ายังไงจําไม่ได้ตอนนี้ก็คือทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลนะครับเขาทิ้งไอ้สิ่งเก่าๆที่เคยถูกฝังหัวมาตั้งแต่สมัยยุคกลางว่าอะไรๆก็เชื่อศาสนาจักรแต่พอนักวิทยาศาสตร์ต่างๆคนพบว่าไอ้สิ่งที่ศาสนาจักรพูดมามันไม่จริงนะมั้น ความผิดเหล่านั้นก็ค่อยๆจางคลายลงการที้มาติดเรื่องอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรต้องพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตาอะไรประมาณนั้นนะก็คือมาติดอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านโอชพยายามจะอธิบายให้กับชาวคริสต์ฟังนะให้มันฟังดูแล้วมันต้อ ง, ต, องต้องสมเหตุสมผลหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลที่พอจะพูดไปได้นะครับไม่ใช่ไปใช้ความลึกลับไปอีกมุมหนึ่งนะครับผมบอกว่านี่คือจุดยืนที่ผิดพลาดที่ว่าพระองค์ทรงแบกแอะของคุณเอาไว้ถ้าหากมันไม่มีคุณค่าอะไรนะถ้าไม่มีคุณคค่าอะะไรนะรนับ ท่าจะแบกไว้ทําไมนะครัทำไมต้องมาเศร้าทําไมต้องมาแบกไว้นะครับเหตุใดถึงต้องรับไว้เพียงแต่พระองค์เดียวนะก็ในเมื่อยังไม่อยากให้มนุษยาชาติทั้งหลายเนี่ยแบกแอกไว้แล้วท่าจะแบกไว้เองทําไมนะครับถ้าหากมันไม่มีคุณค่าอะไรเหตุใดถึงต้องรับไว้แต่เพียงพระองค์เดียวนะแต่หากมันเป็นสิ่งที่มีค่ายอย่างเหลือเกินก็เหตุใดพระองค์จึงต้องพลากไปจากคุณนะถ้าแบกถ้าแอกเหล่านี้มันมีคุณค่าสมควรจะเก็บไว้ นะครับก็ไม่ต้องพลาดมาจากเขานะท่านก็ให้เราแบกกันไว้เองก็ดีแล้วนะครับถ้าแบกแล้วมันมีความสุขนะครับพระองค์จะต้องมอบบางอส่วนให้คุณไม่รอพระองค์ไม่ได้นําแอกไปจากผู้ใดนะพระองค์เพียงแต่ช่วยให้ทุกคนทิ้งมันไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ให้เราแบกไว้และท่านก็ไม่ได้แบกเองด้วยนะท่านบอกว่าทุกคนทิ้งมันไปแอกทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวคุณที่กําลังแบกมันไว้น่ะยึดมั่นมันเอาไว้นะครับมันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อพระองค์ตัดว่าคุณได้รับกาารรอภััยพงค์ตดว่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 ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสวยงามไปหมดนะครับเพราะอะไรก็ตามใครที่ทําตามเหตุตามผลนั้นมันก็ต้องได้รับผลตามเหตุตามผลนั้นด้วยนะเพียงแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันแก้ด้วยความรักความเมตตา ม, มันไม่ได้แก้ด้วยความเครียดแค้นหรือความให้เอาให้ได้อย่างใจนะครับและแล้วชาวคริสต์ก็กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพพระเยซูของพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ3สิ่งสิ่งแรกคือการปฏิสนธิใ น, รนิรมณสิ่งที่สองคือไม่ทรงหรัวเราะทรงมีอารมณ์เดียวและไม่รื้อรัอง มีชีวิตเศร้าๆอยู่กับการทําสิ่งอัศจรรย์และ 3. คือการฟื้นคืนชีพมี3สิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญสําหรับพวกเขาและทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์เนื่องจากพวกเขาพลาดประเด็นสําคัญทั้งหมดพลาดพระเยซูที่แท้จริงนี่คือมายาคติที่ชาวคริสต์ได้สร้างขึ้นรอบตัวเองและเพราะมายาคตินี้พระเยซูองค์จริงจึงได้พลัดหายไปนะฟังดูแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแต่แรกนะครับว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาใช้ ภาษาต่งางๆเขาใชว่าเซนซิทีฟนะครับภาษาไทยมันก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่อ ง, องที่ละเอียดอ่อนนะเพราะฉะนั้นในแต่สิ่งต่างๆแล้วที่บอกว่าเราฟังนะครับเพื่อเป็นการเป็นการณีศึกษานในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกส่วนท่านโอชัวจะพูดผิดพูดถูกนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านก็ท้าทยายพอสมควรนะเพราะว่าโลกนี้นะครับต้องยอมรับว่าคือคนยังไม่ได้ไม่ได้ไไดพร้อมจะฟังอย่างที่จะเองคือคนไม่ได้พร้อมจะฟังสิ่งที่เป็นจริง น ค, คนชอบที่จะฟังสิ่งที่ยังเชื่อมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านโอโชผมไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดนะครับอันนี้ก็ยังรู้เราอยู่นะแต่ว่าท่านถูกข้ามเข้าประเทศนะครับยี่สิบกว่าประเทศที่ไม่ให้บีซ่าท่านเข้าไม่ได้นะครับจะเป็นเพราะเหตุผลเรื่องของการที่ท่านายยาวิพากษาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครัยังไม่แน่ชัดนะครับบอกว่าในประวัติและแล้วชาวคริสต์ก็กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพพระเยซูของพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ3สิ่งนะสิ่งแรกคือการปฏิสนธินิระัยที่ได้พูดไปแล้วก็คือว่า ว่ามารดาของท่านนะเป็นเป็นสาวเป็นหญิงผู้มจารณ์ น, นะครับสิ่งที่สองคือไม่สงหวนะังและทร ง, งมีอารมณ์เดียวและไม่รื่นเริงมีชีวิตเศร้าๆอยู่กับการทําสิ่งอัศจรรย์นนะมีชีวิตเศร้าๆอยู่กับการทําสิ่งอัศจรรย์ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเยซูในเมืองไทยก็มีนะมีหลายเรื่องนะครับน่าสุดน่าจะเป็น uh, The Son of God นะครับซึ่งก็ไม่มีไม่ภาคไทยเนทะ่าที่ผมเห็นไม่ภาคไทยบรรยายไทยนะครับ แล้วก็มีจอห์นก็สเปละะก็มีนะครับเป็นเป็นประวัติพี่เยซูเล่าตามแบบของตามพระวรสารของนักบุญนะฮะนักบุญจอห์นก็มีนะครับสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะฉบับไหนก็แล้วแต่นะฮะก็คือฉบับที่ว่าด้วยการทำสิ่งอัศจรรย์น ะ, ะท่านสามารถทำให้ทำให้ย่านที่มัน คนเชื่อว่าไม่มีปลาหรอกแถวเนี้ยไม่มีปลานะชาวประมงเขารู้ดีเขาเขาหาหาหากินมาอยู่ยเวลานี้เป็นเวลานานแล้วนะครับเวลาขณะนี้ไม่มีปลาพระเยซูก็สามารถทําให้ปลามีเต็มทะเลได้นะครับเวลาที่ไม่มีอาหารจะกินนะคนเดินตามตั้งสัตยาเดินตามอยู่ 3- ามสีพคนนะครับมีขนมปังอยู่สอแผ่นกับปลาอีกไม่กี่ตัวนะท่านสามารถนําปลานําขนมปังลงมาจากท้องฟ้าได้นะการเลี้ยงงานแต่งงานซึ่ง เล่าอางุ่นเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่พอเลี้ยงแขกแล้วท่านสามารถบรรดาลน้นลําเปล่าๆนะครับให้กลายเป็นน้ำเล่าอางุ่นขึ้นมาได้เต็มไปหมดนะสามารถทําคนพิ ก, การให้เดินได้ทําคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้สิ่นี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปในเรื่องประวัติพระเยซูนะครับและ3ก็คือการฟื้นคืนชีพนะหลังจากที่ท่านถูกตึงกระเขนไปแล้วนะครับสวันนะท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมามี3สิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญสําหรับพวกเขาและทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ นะเนื่องจากพวกเขาพลาดประเด็นสําคัญทั้งหมดนะพลาดพระเยซูที่แท้จริงอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ท่านโอชโช ว, วิจารนะครับวิจารณอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าพลาดพระเยซูที่แท้จริงนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันก็คงจะต้องเรียกเอาเหมือนกันนะคือคนที่พร้อมจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะ ก, ก, ก็ต้องจะไปเชื่อ อ, อีกแบบหนึ่งนะครับแต่สายอย่างพวกเราซึ่งไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับพอพูดอย่างนี้เราก็พอจะเงี้ยหูฟังได้บ้างว่าเออมันค่อยสมเหตุสมผลขึ้นหน่อยนะ นี่คือมายาคติที่ชาวคริสต์ได้สร้างขึ้นรอบตัวเองและเพราะมายาคตินี้พระเยซูองค์จริงได้พลัดหายไปนะข้าพเจ้าอยากจะกล่าวแก่ท่านว่าพระองค์เป็นมนุษย์แท้จริงเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อพระองค์มีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์และพระองค์ทรงรักการมีชีวิตเหมือนมนุษย์พระองค์ทรงมีชีวิตในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ทว่าพระองค์ก็เป็นพระเจ้าเห็นไหมครับคือบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะกล่าวแก่ท่านว่า นะอยากจะกล่าวกับท่านว่ากระแสงวาเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับคือต้องฟังนะครต้องฟังซะหน่อยนะครับว่านี่คือสิ่งที่ผู้รู้นะครับท่านอยากจะบอกให้เราได้ทบทวนได้คิดอสักสีได้ไหมนะครับพระองค์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อนะนี่คือสิ่งที่ทโนโชเชื่ออย่างนั้นนะว่าพระเยซูนะครับเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ด้วยนะครับและพระองค์ทรงรักการมีชิตเหมือนมนุษย์ พระองค์ทรงมีชีวิตในทุกมิติของความเป็นมนุษย์นะทุกมิติของการเป็นมนุษย์ก็คือนะครับมีความรักมีความชังมีความโกรธนะครับอะไรต่างๆนานานะแต่ว่าพระองค์ก็เป็นพระเจ้านะคือไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างปุถุชนนะครับในความเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นพระเจ้าด้วยนะพระเยซูคริสต์เป็นทั้งเยซูและพระคริสต์พระองค์เป็นพระคริสต์ในเยซูและเป็นเยซูในพระคริสต์พระองค์เป็นจุดบรรจบที่ซึ่งโลกสองใบมาพบกัน ที่ซึ่งสุดปลายขั้วโลกสองแห่งมาประสานกันและดังนั้นจึงเกิดความงามและดังนั้นจึงเกิดความปราปลื้มปิติเหลือล้นแห่งพระเยซูนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นทั้งเยซูและพระคริสต์คาว่าเยซูนะครับตอนที่แล้วก็พูดไปแล้วว่าคําว่าเยซูคือชื่อที่แม่นะครับมารดาหรือพ่อและแม่เนี่ยตั้งให้ว่าชื่อเยซูนะครับแต่ว่าคําว่ารพระคริสต์เนี่ยพระคริสต์เนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับแปลว่าพระผู้ไถนะ่ในใน ในภาษาฮิบรูเขาก็เรียกว่าเมสิส น, ะนะครัพระองคนะ์เป็นพระคริสต์ในเยซูและเป็นเยซูในพระคริสต์นะเป็นพระคริสต์ในเยซูก็คือในตัวเป็นเยซูนั้นมีจิตพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นเยซูในพระคริสต์นะครับก็คือจิตพระเจ้าซึ่งมาดําเนินชีวิตแบบเยซูนะพระองค์เป็นจุดบรรจบที่ซึ่งโลกสองใบมาพบกันคือโลกแห่งพระเจ้ากับโลกแห่งมนุษย์นะที่ซึ่งสุดปลายขั้วโลกสองแห่งมาประสานกันและดังนั้นจึงเกิดความงาม จึงเกิดความงามลำพังจิตพระเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีร่างมนุษย์ลำพังร่างมนุษย์ถ้าไม่มีจิตพระเจ้าก็ทำเลเธอเต็มไปหมดนะครับและดังนั้นจึงเกิดความปลาปลื้มปิติเหลือล้นแห่งพระเยซูนะผมเรื่องของเยซูเป็นเรื่องที่ผมเองต้องเรียกว่าอะไรนะครับเซ็นเซอร์ไปหลายหน้าทีเดียวนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะครับมันอาจจะเหมาะกับท่านและลูกสมยัยหรือการรักเทศาของท่านนะ แต่อาจจะไม่เหมาะกับการเทศะกับทีวีแห่งนี้นะครับผมก็ต้องนะก็ต้องตัดเซนเซอร์ไปนะท่านใดสนใจก็ไปหาอ่านได้ครับหนังสือคุุวิภากคุรุนะฮะนี่นะครับแต่อช่วงนี้อาจจะไม่มีวางตลาดนะไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าหาได้ไม่ยากนะักนะครับเรื่งสื่อก็คือเรื่องของนะเรื่องนะในที่นี้ท่านยกตัวอย่างเรื่องของการมารรคมนะั้งซึ่งผมก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าพูดไปแล้วบางทีมันพูดแล้วมันไม่สามารถไม่สามารถที่จะขยายความให้ให้ให้แจมแจ้งได้นะนะบางคนเขาเรียกท่านโอชว่านะครับเซกุรุ นะเพราะว่าท่านพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับนักบทส่วนไ ม, ไม่เหมือนกับผู้สอนศาสนาชนใดพูดแต่ถ้าอ่านให้จบเขาเรียกว่าอ่านจบอ่านให้จบเนื้อความอ่านให้เข้าใจเนื้อความนะจะไม่เหมือนกับที่บรรดาสื่อสารมวลชนหรือนักวิพากษ์วิจารณ์พูดกันนะครับมันก็คืออย่างง่ายครับคนที่ฟังขออภัยจริงนักจะฟังไม่ได้สับแล้วจบไปกระเดียดแล้วก็ไปสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องซึ่งทําให้ค น, นถูกเข้าใจผิดกันไป นะครับผมก็เลยไม่ตัดสิ่งนี้ไปเพราะว่าคิดว่าไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มที่จะอ่านนะนวเวลานี้นะพระเยซูจะต้องชื่นชมยินดีเนื่องเพราะภาพวาดของชาวคริสต์ตาบุญคติของชาวคริสต์พระองค์แลดูเศร้าสร้อยพระองค์จะต้องเป็นคนที่มีความสุขยิ่งใหญ่ล้นเหลือด้วยปีติจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นภายในความปิติก็ต้องหลังไหลออกมาภายนอกสองสิ่งนี้ไปด้วยกันเมื่อเปิดไฟอยู่ในบ้าน แม้เมื่อปิดหน้าต่างผู้ผ่านไปมาก็ยังเห็นแสงแสงส่องลอดออกมาจากรอดออกมาภายนอกจากผ้าม่านจากประตูนั่นก็คือปีติเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจากภายนอกผู้คนก็จะต้องเห็นบางสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ไว้ระลิกอยู่นะครับบอกว่าพระเยซูจะต้องชื่นชมยินดีเนื่องเราะภาพวาดของชาวคริสต์ตามอดุดมคติของชาวคริสต์พระองค์แลดูเศร้าสร้อยนะหมายถึงว่าอดุดมคติของชาวคริสต์เป็นอย่างนั้นแต่ แตาพระองค์จะต้องเป็นคนที่มีความสุขยิ่งใหญ่นะครับล้นเหลือด้วยปิตินะจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นภายในหมายถึงว่าเมื่อเมื่อพระคริสต์นะครับท่านรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะครับของพระรู้แจ้งก็ต้องยกไว้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้แจ้งในในความหมายของชาพุทธกับในความหมายของสากลอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะตอนนี้ผมแน่นอนครับผมเป็นนักศึกษาผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ถึงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคําว่ารู้แจ้งมีในยะที่ที่ มันไม่สามารถไม่สามารถที่จะพูดกันออกมาด้วยภาษามันถึงไม่สามารถจะจับต้องได้นะแม้แต่ในชาวพุทธเองคำว่ารู้แจ้งทงบรรดาคุรุทั้งหลายก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ขอยืมใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นสภาวะเดียวกันร0อหรือไม่นั้นไม่ทราบนะครับบอกว่าความปิติก็ต้องหลั่งไหลออกมาภายนอกนะคือภาวะเช่นนี้นะครับความปติต้องหลั่งไหลออกมาภายนอกสองสิ่งนี้ไปด้วยกันนะ ก็คือการรู้แจ้งกับความปิติที่หลังเล้เออกมาภายนอกมันไปด้วยกันนะครับเมื่อเปิดไฟอยู่ในบ้านแม้เมื่อปิดหน้าต่างผู้เดินผ่านไปมาก็ผู้ผ่านไปมาก็ยังเห็นแสงสว่างนะยังเห็นแสงส่องรอดออกมาภายนอกได้จากผ้ามา่านจากประตูนั่นคือปิติเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจากภายนอกผู้คนก็จะต้องเห็นบางสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ไว้ละลึกอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนมันอย่างที่เรารู้ในประวัติพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะจะสามารถเห็นปุ๊บเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ได้หรือว่าผู้นี้เป็นผู้รู้แจ้งหรือเป็นผู้ที่มีอะไรเป็นพิเศษกว่ามนุษยธรรมดาไม่นะครับในสมัยพุทธกาลเ่งก็มีคนที่นะแอบลิ้นหลับพระพุทธเจ้าว่าพระองค์พูดเพร์เจอร์นะครับอะไรคนอะไรไม่มีครูอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคือนิยามของความปราปื้มปิติคือเมื่อสองขั้วได้มาพบกันคนทั่วไป ก็เหมือนคนที่มีชีวิตนะครับอยู่ในความหลับไม่ตระหนักรู้ว่าเขาเป็นใครเมื่อพลังแห่งพระเจ้าโดยสัมผัสเขาเมื่อเขาได้รับพลังแห่งพระเจ้าเมื่อเขาเปิดรับพลังแห่งพระเจ้าเมื่อพลังอันเริงร่านั้นเต้นเร่าอยู่ในเขาก็จะเกิดความปลาปลื้มปิติจะไม่เกิดความปราปลื้มปิติขึ้นได้เว้นเสียแต่เราจะนําจิตของมนุษย์เข้ารวมกับจิตของอภิมนุษย์รวมโครนเข้ากับดวงอาทิตย์โลกกับผืนฟ้าร่างกายกับวิญญาณ สาสารกับจิตมีเพียงเท่านั้นเมื่อดวงตะวันผสานกับโครนดอกบัวจึงจะบังเกิดเป็นดอกบัวแห่งความปราปลื้มปิติถ้าหากความจริงนั้นไม่มาสัจจันทร์เช่นที่ควรจะมาสัจจันท์เราก็จะเยือกแข็งเป็นน้ําแข็งนะจะเยือกแข็งเป็นน้ําแข็งนะครับแปลว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็เหมือนคนที่มีชีวิตอยู่ในความหลับขออภัยนะครับมีชีวิตอยู่ในความหลับนะอันนี้คือคือความหมายที่เรา อาจจะค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าทําไมเราถึงเรียกว่าเรียกตัวเองว่านะครับหรือเรียกคนที่เดินตามพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นพุท ธ, ธะก็เพราะว่านะครับเพราะว่าคำว่าพุท ธ, ธะนี่คือผู้ตื่นในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในความหลับนะครับไม่แต่หนักรู้ว่าเขาเป็นใครเมื่อพลังแห่งพระเจ้าด้ยสัมผัสเขาเมื่อเขาได้รับพลังแห่งพระเจ้าเมื่อเขาเปิดรับพลังแห่งพระเจ้านะครับเมื่อพลังอันเรืองร่านั้นเต้นเร่าอยู่ในเขาก็จะเกิดความปราบลื้มปิตินะครับ ในที่นี้ใช้คำว่วาพระเจ้าเพราะกำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับแต่ความจริงก็เป็นในยะเดียวกันคือจิตพระเจ้านั่นเองนะครับ จ, จิตรู้แจ้งหรือจิตพระเจ้านะครับจะไม่เกิดความปราพื้นปฏิทิขึ้นได้เว้นเสียแต่เราจะนําจิตของมนุษย์เข้ารวมกับจิตของอภิมนุษย์นะคือต้องต้องมีทั้งสองส่วนคือมีทั้งมนุษย์นะครับแล้วก็มีทั้งจิตแจ้งจิตรู้แจ้งนะครับหรือจิตพระเจ้ารวมกันนะรวมโครนเข้ากับดวงอาทิตย์โลกกับผืนฟ้าร่างกายกับวิญญาณสสารกับจิตมีเพียงเท่านั้นเมื่อดวงตะวันผสานนกับโคร นะดอกบัวจึงจะบังเกิดเป็นดอกบัวแห่งความปราปลื้มปิติถ้าหากความจริงนั้นไม่มาสจรย์เช่นที่ควรจะมาศจรั่์เราก็จะเยือกแข็งเป็นน้ําแข็งนะครับคือถ้าเมื่อสองสิ่งเหล่านี้มาพบกันหรือไม่สามารถพบกันได้นะเราก็จะเยือกแข็งเป็นน้ําแข็งคือมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ภาวะที่สมบูรณ์ได้นะครับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งเยือกแข็งขอให้ข้าพเจ้าได้กล่าวกัท่านเถิดพระเจ้าในฐานะพระเจ้าก็เป็นสิ่งเยือกแข็งเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่คุณต้องแสวงหาพระเจ้าทว่าพระเจ้าก็แสวงหาคุณด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าประศจากพระเจ้าแล้วคุณจะโศกเศร้าแต่พระเจ้าก็โศกเศร้าด้วยเมื่อประสจากคุณและเมื่อคุณได้พบกับพระเจ้าพระเจ้าได้พบกับคุณก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความปลาปลื้มปิติของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นความปลาปลื้มปิติของพระองค์ด้วยสิ่งทั้งปวงจะรู้สึกปราปลื้มปีติเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คนหนึ่ง กลายเป็นพระคริสต์หรือพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งปวงก็จะเต้นเรา่าแต่จะเต้นรําสิ่งทั้งปวงจะเริงรื่นท่วมท้นไปด้วยปราปลื้มปีตินะครับบวัวมนุษย์ที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งเยือกแข็งหมายถึงนะว่ามนุษย์ที่ไม่ไม่รู้จักภาวะรู้แจ้งนะครับอันนี้นะครับคือบอกว่าเป็นสิ่งเยือกแข็งขอให้ขพระเจ้าได้กล่าวกับท่านเถิดนะพระเจ้าในฐานะพระเจ้าก็เป็นสิ่งเยือกแข็งเช่นกันจิตพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าไม่มีไม่มีมนุษย์ที่ว่าครับมาเป็นผู้ดาเนินการทั้งหลายนะ ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่คุณต้องแสวงหาพระเจ้าทว่าพระเจ้าก็แสดงหาคุณด้วยเช่นกันนะคำว่าพระเจ้าในที่นี้นะครับในความหมายที่ท่านเอาั่วงกำลังบรรยายเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่มีมีมีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างที่อย่างที่ชาวคริสต์นะครับส่วนใหญ่เข้าใจกันนะแต่กำลังพูดถึงจิตพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าก็แสวงหาคุณด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าประสจากพระเจ้าแล้วคุณจะโศกเศร้าแต่พระเจ้าก็โศกเศร้าด้วยเมื่อประจากคุณและเมื่อคุณได้พบกับพระเจ้าพระเจ้าได้พบกับคุณ ก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความปราปลื้มปิติของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นความปราปลื่มปิติของพระองค์ด้วยสิ่งทั้งปวงจะรู้สึกปลาปลื่มปิติเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นพระคริสต์นะหรือพระพุทธเจ้านะครับสิ่งทั้งปวงก็จะเต้นรําสิ่งทั้งปวงจะเริงรื่นท่วมท้นไปกับปราปลื้มปิตินะผมก็ไม่ได้ดูอีกนะครับว่าค ำ, ำว่าพระคริสต์หรือคําว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้น่าจะน่าจะไม่ใช่ความหมายในแยะอย่างนี้ทีเดียว นะครับน่าจะเป็นบุตรดาที่เป็นบีตัวเล็กไหมว่ามีผู้ตื่นรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นผู้ที่เป็นศาสดานะแต่เป็นผู้ที่ตื่นรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะใช้คำว่าบุตรดาเหมือนกันแต่ว่าใช้บีตัวเล็กไม่ใช่บีตัวใหญ่นะการพบกันคือการหลอมรวมการแบ่งแยกลองคิดถึงตัวคุณในฐานะคนที่แบ่งแยกและหากคุณไม่หยุดการแบ่งนั้นลำดับชั้นที่คุณแบ่งเอาไว้ก็จะเรียงรายอยู่รอบตัวคุณด้วยการบอกว่าฉันเป็นมนุษย์ คุณก็จะไม่อนุญาตให้พระเจ้าเข้าสู่ตัวคุณคุณจะต้องเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงต่อเส้นพรมแดนจากขอบเขตทั้งปวงขอบเขตของฮินดูขอบเขตของชาวคริสต์ขอบเขตของมนุษย์ขอบเขตของความรวยความจนก า, การมีการศึกษาการไร้การศึกษาขอบเขตของผิวขาวและผิวดำขอบเขตของพราหมณ์และจันทานต้องทิ้งทุกขอบเขตไปให้หมด ด้วยการทิ้งทุกสิ่งนั้นนิรันดร์ก็ได้เข้าสู่โลกแห่งเวลาของคุณเข้าสู่ค่ําคืนมืดมิดจิตวิญญาณของคุณแต่สว่างท่วมท้นไปด้วยแสงและทันใดนั้นคุณก็จะไม่เป็นเช่นเดิมอีกขอให้ข้าพเจ้าได้ทวนความเถิดแม้พระเจ้าก็ไม่เป็นเช่นเดิมอีกต่อไปบอกว่าการพบกันคือการล้อมรวมการแบ่งแยกก็คือไม่เหลือการแบ่งแยกนะครับล้อมรวมการแบ่งแยกลองคิดถึงตัวคุณในฐานะคนที่แบ่งแยกนะอันนี้ ก็คงพอจะเข้าใจนะครับคือการแบ่งแยกก็คือการถือเขาถือเราอะไรเต็มไปหมดนะฮะยิ่งก็ยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งอัตราใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งถือเขาถือเรามากเท่านั้นนะถือตัวเองด้วยการศึกษาด้วยชาติพันธุ์ด้วยตระกูลด้วยเงินนะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะพยายามเทียบแบ่งว่าคนอื่นไม่ไม่เทียบทันนะฮะฉันเหนือกว่าคนอื่นนะครับคือการแบ่งแยกทั้งหลายนะและหากคุณไม่หยุดการแบ่งนั้น ลำดับชั้นที่คุณแบ่งเอาไว้ก็จะเรียงรายอยู่รอบตัวคุณอย่างที่ว่าครับเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดด้วยการบอกว่าฉันเป็นมนุษย์นะแม้แต่เขาว่าฉันเป็นมนุษย์ก็ตามนะครับคุณก็จะไม่อนุญาตให้พระเจ้าเข้าสู่ตัวคุณนะไม่อนุญาตนะครับมีนะฮะอย่าคิดว่าไม่มี <c oughs> มีคนที่อนุญาตให้พระเจ้าเข้าสู่นะครับเพราะเขาไม่เชื่อเลยนะเขาไม่เชื่ออะไรก็ตามที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับเขาถือว่าไม่มีสิงนั้นอยู่จริงนะคุณจะต้องเป็นอิสระอย่างเส้นเชิงต่อเส้นพรมแดนจากขอบเขตทั้งงปว ขอบเขตของฮินดูขอบเขตของชาวคริสต์จริงๆก็ขอบเขตของาศาสนาต่างๆนะครับทั้งนั้นนะครับขอบเขตของมนุษย์ขอบเขตของความรวยความจนการมีการศึกษาการไร้การศึกษาขอบเขตของผิวขาวผิวดําขอบเขตของพราหมจันทานต้องทิ้งทุกขอบเขตไปให้หมดด้วยการทิ้งทุกสิ่งนั้นนิรันดรก็ได้เข้าสู่โลกแห่งเวลาของคุณเข้าสู่ค่ําคืนที่มืดมิดจิตวิ ญ, ญญาณของคุณจะสว่างท่วมท้นไปด้วยแสง และทันใดนั้นคุณก็จะไม่เป็นเช่นเดิมอีกขอให้ข้าพเจ้าได้ทวนความเถิดแม้พระเจ้าก็ไม่เป็นเช่นเดิมอีกต่อไปนะครับพระเจ้าทรงพระานุภาพขึ้นเมื่อพระองค์เปลี่ยนเป็นพระคริสต์พระองค์ทรงพระานุภาพขึ้นเมื่อทรงเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระานุภาพขณะที่พระองค์เริ่มเปลี่ยนแปลงขณะที่พระองค์ได้พบกับคุณเนื่องจากคุณจะค่อยๆลังรินสู่พระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่าคุณเป็นเพียงพลังงานเล็กๆ ทว่ามหาสมุทรก็เกิดขึ้นจากหยดน้ําเล็กๆที่ร่วงหล่นร่วงหล่นแม่น้ําสายเล็กรินไหลเต็มมหาสมุทรและก่อกําเนิดมหาสมุทรไม่มีแม่น้ําสายเดียวก่อกําเนิดมหาสมุทรทว่าแม่น้ําแต่ละสายล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์มันช่วยเหลือมันพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นขึ้นทุกๆวันเนื่องเพราะมีน้ําบางส่วนมีแม่น้ําบางส่วนไหลเติมไปในพระองค์อีกและนำเอาชีวิตใหม่ความตื่นเต้นใหม่มาสู่นะครับก็มาถึงตรงนี้นะมาถึงตรงเรื่องของ พระเจ้านะครับกับความเป็นมนุษย์นะต้องมาเชื่อมโยงกันมันถึงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในในในจั ก, กรวาลนี้ก็ว่าได้นะครับตอนนี้ผมกําลังนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคูรู้วิาภากคุรู้นะครับท่านเออชัวเป็นผู้บรรยายอาจารย์ตัวมอสุขพิชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงกําลังนำเสนอภาคของชีวิตของพระ ค, คริสต์ครับพบกันต่อในในโอกาสหน้าครับวันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญสัตว์เนบนิยมทีวีครับขอบพระคุณครับเจนทำครับ